178. สีหะเสนาปฏิวัตถุว่าด้วยสีหะเสนาบดีสาวกของนิครนนาตบุตร9 0สมัยนั้นเจ้าลิชวีผู้มีชื่อเสียงนั่งประชุมกันในสันถาคารกล่าวสรรเสริญพระพุทธกล่าวสรรเสริญพระธรรมกล่าวสรรเสริญพระสงฆ์โดยประการต่างๆ สมัยนั้นสีหาเสนาบดีสาวกของนิครนนั่งอยู่ในที่ประชุมนั้นด้วยลำดับนั้นสีหาเสนาบดีได้มีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นต้องเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่เพราะเจ้าลิชวีผู้มีชื่อเสียงเหล่านี้นั่งประชุมกันในสันถาคาร างก็กล่าวสรรเสริญพระพุทธกล่าวสรรเสริญพระธรรมกล่าวสรรเสริญพระสงฆ์โดยประการต่างๆอยากระนั้นเลยเราควรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นต่อมาเขาเข้าไปหานิครนนาตบุตรถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งอยู่หน้าที่สมควรได้กล่าวกับนิครนนาตบุตรดังนี้ว่า ข้าพเจ้าปรารถนาจะไปเฝ้าพระสมณโคดมเจ้าข้านครกลน่าตบทกล่าวว่าสีหะท่านเป็นผู้สอนให้ทมฉะไนจึงจะไปเฝ้าพระสมณโคดมผู้สอนไม่ให้ทมเล่าสีหะเพราะพระสมณโคดมเป็นผู้สอนไม่ให้ทมย่อมแสดงธรรมเพื่อการไม่ทาทั้งแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้น ครั้งนั้นแหลสีหาบดีจึงล้มเลิกความตั้งใจที่จะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแม้ครั้งที่สองละแม้ครั้งที่สามเจ้าลิ์ชวีผู้มีชื่อเสียงนั่งประชุมอยู่ในสันถาคารกล่าวสรรเสริญพระพุทธกล่าวสรรเสริญพระธรรมกล่าวสรรเสริญพระสงฆ์โดยประการต่างๆแม้ครั้งที่สาม สีหะเสนาบดีก็มีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นต้องเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่เพราะเจ้าลิชวีผู้มีชื่อเสียงเหล่านี้นั่งประชุมกันในสันทาคารต่างก็กล่าวสรรเสริญพระพุทธกล่าวสรรเสริญพระธรรมกล่าวสรรเสริญพระสงฆ์โดยประการต่างๆก็พวกนิครนเหล่านี้ เราจะบอกหรือไม่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรอย่ากระนั้นเลยเราจะไม่บอกพวกนิครนแล้วจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นครั้งนั้นสีหะเสนาบดีเดินทางออกจากกรุงเวสาลีแต่หัววันพร้อมด้วยรถห้าร้อยคัน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 ไม่ประสงค์จะกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเลย